เจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกๆท่านวันนี้เป็นวันพระรหัสที่สามคุมพาพัน์พุทธศักราช2554เป็นวันพระวันธรรมสวรรควันฟังธรรมเป็นวันที่สาธุชนพุทธบริษัต ผู้มีจิตศรัทธาที่แน่วแน่ต่อพระพุทธศาสนาต่อพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอันประเสริฐได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาปฏิบัติมาบำเพ็ญตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนให้บำเพ็ญให้ปฏิบัติด้วยการทำบุญให้ทานด้วยการรักษาศีลด้วยการ ฟังเทศฟังธรรมด้วยการปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นการทำนุบำรุงดูแลรักษาจิตใจที่เป็นส่วนประกอบที่สาคัญที่สุดของชีวิตของพวกเราเพราะจิตใจของพวกเรานี้เป็นสิ่งที่ไม่ตายเหมือนกับร่างกายร่างกายของพวกเราสักวันหนึ่งก็ต้องถึง จุดยุติจะต้องมีการแตกดับมีการสลายกลับคืนสู่ธาตุเดิมคือธาตุเด่นน้ำลมไฟไปหมดแต่ใจนี้ไม่เสื่อมไม่สลายไม่แตกไม่ดับเหมือนกับร่างกายแต่จะต้อง <c oughs> ไปต่อถ้ายังไม่ได้รับการชำระ จิตใจให้สะอาดโดยสุดเหมือนกับจิตใจของพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลาย mm. ก็จะไปรับผลของบุญของบาปที่ได้ทำมาทั้งในชาตินี้และในอดีตชาติที่ยังไม่ได้ส่งผล mm. ดังนั้น mm. การที่เรามาทำนุบำรุงดูแลรักษาใจของเรานี้ จึงเป็นการสร้างกุศลสร้างบุญสร้างความสุขสร้างความเจริญให้แก่จิตใจของเราที่จะเจริญและมีความสุขต่อไปหลังจากที่ร่างกายของเราได้แตกดับไปแล้วการทำนุบารุงใจนี้ก็เป็นเหมือนกับการทำนุบำรุงรถยนต์นี่เอง รถยนต์นี้เราก็ต้องเอาเข้าอู่อยู่เป็นประจำตามระยะเวลาที่บริษัทผลิงต้นยนต์เขากำหนดให้ไว้เช่นทุกระยะ 5,000 กิโลเมตรก็ต้องเข้าอู่เพื่อเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนอะไรต่างๆที่ชำรุดทุดทรงถ้าไม่ได้รับการทานุบํบำรุงดูแลรักษา อย่างสม่ำเสมอรถอืตนก็จะชำรุดเสียหายไม่สามารถวิ่งไปไหนมาได้ตามที่เราต้องการจันใดใจของพวกเราถ้าไม่ได้รับการทำนุบารุงดูแลรักษาอย่างสม่ำเสมอใจของเราก็จะมีแต่ความวุ่นวายมีแต่ความ กวนกวมีแต่ความทุกข์มีแต่ความสับสนต่างๆแต่ถ้าเราได้ทำนุบำรุงดูแลใจเราอย่างสม่ำเสมอ mm hmm. เช่นอย่างน้อยที่สุดอาทิตย์นหนึ่งเราก็ต้องเข้าวัดสักครั้งหนึ่งวัดนี้ก็เป็นเหมือนอู่ของใจที่จะมาดูแลใจของเรานี้ให้อยู่ในสภาพปกติ การได้เข้าวัดอย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนี้ยังไม่ถือว่าได้กำไรยังถือว่าเป็นเพียงรักษาไม่ให้ขาดทุนเท่านั้นคือรักษาสภาพชีวิตจิตใจของเราที่เรามีอยู่นี้ไม่ให้เสื่อมลงไปไม่ให้มีความทุกข์เพิ่มมากขึ้นไปแต่ถ้าเราอยากที่จะให้จิตใจของเรานี้ได้กำไรเราก็ต้องเข้าวัดบ่อยกว่านี้ อาทิตย์ละเพียงละ1หนึ่งครั้งนี้ยังไม่พอต่อการที่จะทำให้ใจเราได้กำไรได้พัฒนาสูงขึ้นไปเราต้องเข้าวัดบ่อยมากขึ้นเ <c oughs> ช่นบางท่านก็มาอยู่วัดครั้งละสมวันบ้างห้าวันบ้างเจ็ดวันบ้างบางท่านก็อยู่ตลอดระยะเวลาสามเดือนหรือบางท่านก็อยู่ตลอดไปเลย เป็นนักบวช <c oughs> นี่แหละถึงจะถือว่าได้กำไรถ้าเราเข้าวัดตามวันพระอย่างนี้ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นการรักษาไม่ให้ขาดทุนไม่ให้จิตใจตกตำ่ำไม่ให้เสื่อมลงไปมากกว่าที่เป็นอยู่นี้ <c oughs> จิตใจของเรานี้มีความสาคัญมากกว่าร่างกายของเราเป็นหลายร้อยเท่าด้วยกัน เพราะร่างกายของเรานี้ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องตายไปแล้วก็ไม่มีอะไรเหลืออยู่กับร่างกายร่างกายนี้ก็จะสลายกับคืนสู่ดินน้ำลงไฟแต่ถ้าใจนี้ไม่ได้เป็นเหมือนกับร่างกายใจนี้ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันดับไม่มีวันสูง ม, มีแต่จะ จเจริญหรือตกต่ำเท่านั้นเองถ้าทําบาปทํากรรมจิตใจก็จะตกต่ำไปเรื่อยๆถ้าทําบุญจิตใจก็จ ะ, จะเจริญสูงขึนไปเรื่อยๆเพราะพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พุทธศาสนิกชนนั้นให้ทําบุญให้ละบาปแล้วก็ให้ชําระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ชําระด้วยการกําจัดความโลภความโกรธความหลง ที่ถือว่าเป็นสิ่งปฏิกูลของจิตใจถ้ายังมีความโลภความโกรธความหลงอยู่ภายในใจก็ยังจะต้องไปเวียนว่ายตายเกิดต่อไปแล้วถ้าไปเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องไปรับใช้บุญใช้บาป ท, ที่ได้ทำมาในอดีตแต่ถ้าเราสามารถชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ ก็ไม่ต้องไปเกิดใหม่อีกต่อไปเมื่อไม่ต้องไปเกิดใหม่ก็ไม่ต้องไปใช้บุญใช้บาปอีกต่อไปแล้วก็ไม่ต้องไปแก่ไปเจ็บไปตายไปพัดพรากจากกันและต้องล้องห่มล้องไห้เศร้าโศกเสียใจไม่รู้จักจบจากสิ้นนี่คือคาสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ ไม่ว่าจะมีพระพุทธเจ้ามาตัดสรุและประกาศสอนพระธรรมคำสอนให้แก่สารโลกมากน้อยเพียงนอยก็ตามก็จะสอนเหมือนกันหมดให้ทำบุญลางบาปชำระใจให้สะอาดโรยสุดเพราะนี่คือทางเดียวที่จะทำนุบำรุงดูแลรักษาจิตใจและปลดปรือมจิตใจ ให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดพวกเราจึงต้องมาวัดกันอย่างสม่ำเสมอถ้ามาวัดไม่ได้ก็ขอให้ทำกิจกรรมที่เรามาทำที่วัดเท่าที่เราจะทำได้เช่นการทำบุญนี้ถ้าเราทำกับพระภิกษุที่วัดไม่ได้เราก็ตักบาตรก็ได้เวลามีพระภิกษุเดินผ่านหน้าบ้านเรา หรือถ้าไม่มีพระเิกษุเดินผ่านเราเวลาไปทำงานถ้าเราผ่านทิศทางที่มีพระเดินบิณฑบาตเราก็แวะแล้วก็ใส่บาตรก่อนไปทำงานก็ได้ไม่ต้องมาวัดก็ได้เช่ น, ว, นวันที่ไม่ใช่เป็นวันพระแล้วเราอยากจะทำบุญให้มากก็ขอให้เราพยายามใส่บาตรไปทุกวัน ส่วนศีลนี้เราก็รักษาได้ทุกแห่งทุกคนทุกเวลาไม่จำเป็นจะต้องมาสมาทานมารักษาที่วัดการมาสมาทานศีลหรือขอศีล น, นี้ไม่มีไม่ไม่มีความจำเป็นคือต่อการรักษาศีลจะสมาทานหรือไม่สมาทานเราก็รักษาศีลได้ จะมีพระให้ศีลกับเราหรือไม่ก็ไม่สําคัญถ้าเรารู้ว่าศีลมีอะไรบ้างการมาสมาทานหรือมาขอศีลจากพระนี้ความจริงมาขอความรู้จากพระว่าศีล น, นี้มีอะไรบ้างเช่นเมื่อกี้นี้ก็ได้บอกให้ฟังแล้วว่าศีลห้าก็มีอยู่ห้าข้อด้วยกันเช่นหนึ่ง ละจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต 2. ละจากการลักษรัพย์ 3. ละจากการประพฤติผิดประเวณี 4. ละจากการพูดปดมดเท็ดและ 5. ละจากการเสพสุรายยามานี่ก็คือสินห้าถ้าเรารู้สินทั้ง5้าข้อนี้แล้วเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมาสมาทาน กับพระก็ได้วันไหนเราอยากจะรักษาศิลเราก็ตั้งสัจจะขึ้นมาในใจตั้งอธิษฐานสัจจะอธิษฐานขึ้นมาในใจว่าวันนี้จะรักษาศิน5ห้านี้ตั้งแต่เวลานี้ถึงเวลานั้นหรือจะรักษาทุกวันไปก็ได้และเมื่อเวลาศิ่ขาดก็ไม่จําเป็นจะตั้งไปต่อสิลง ก็เพียงแต่ให้เรารู้ว่าวันนี้เราทำสินข้อนี้บกพร่องไปถ้าเราอยากจะดัดนิสัยอยากจะลงโทษเราก็ทำโทษตัวเราเองเช่นถ้าเราทำผิดผิดสินข้อใดข้อหนึ่งเราก็งดดูหนังดูละครสักเรื่องหนึ่งหรืองดดื่มเครื่องดื่มที่เราชอบสักถ้วยหนึ่งหรือสักขวดหนึ่งเช่นเราชอบดื่ม กาแฟวันนี้เราทำผิดศีลวันนี้เราก็ต้องดัดนิสัยตัวเองว่าวันนี้อย่าดื่มกาแฟเพื่อที่เราจะได้มีมีความรับผิดชอบว่าเวลาเราทำผิดแล้วเราจะต้องชดใช้การกระทาผิดของเราจะทำให้เราไม่กล้าทำผิดในครั้งต่อไป แล้วเราก็จะสามารถรักษาศีลได้หรือถ้าเราจะลงโทษข้อนี้แล้วมันยังรักยังยังยั ง, ยงทผิดอยู่เราก็ต้องลงโทษให้หนักขึ้นไปเช่นอาจจะไม่ไม่รับประทานข้าวเย็นก็ได้เช่นถือศีลแปดไปแทนเมื่อวานนี้เราไม่ได้รักษาศีลห้าวันนี้เป็นวันพระเราจะขอชดเชย ชดใช้กรรมชดใช้บาปที่เราทำไปเมื่อวานนี้ด้วยการถือศีลแปดจะไม่จะไม่รับประทานอาหารเย็นจะไม่ร่วมหลับนอนกับคู่ครองของเราจะไม่หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเช่นไม่ดูหนังฟังเพลงร้องรำทำเพลงไม่แต่งตัวไม่แต่งหน้าทาปากใช้น้ำหอมต่างๆล่านี้ แล้วก็จะไม่นอนบนฟูกหนาๆจะนอนบนพื้นไม้แล้วก็ปู ด, ด้วยเสือ่อด้วยผ้า <c oughs> เพื่อที่จะดัดนิสัยที่ไม่ดีที่ชอบไปทำผิดแล้วก็เป็นการพัฒนาจิตใจของเราเพราะเราจะได้ความสุขอีกแบบหนึ่งจากการรักษาศีลแปก ก็คือความสุขที่เกิดจากความสงบจิตใจของเราจะสงบได้เราต้องละกามาฉันทะให้ได้กามาฉันทะก็คือความยินดีความพอใจความชอบกับการเสบ ร, รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนั่นเองถ้าเราถือสิอ่งแปเราก็จะไม่หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราจะมาหาความสุข ทางความสงบด้วยการสวดมนต์ด้วยการนั่งสมาธิควบคุมจิตใจด้วยสติไม่ให้คิดฟุ้งซ่านให้อยู่กับพุพทโธก็ได้ให้อยู่กับลมหายใจเข้าออกก็ได้ให้อยู่กับบทสวดมนต์ก็ได้ถ้าเราสามารถทำได้อย่างต่อเนื่องใจของเราก็จะสงบลงไป แล้วเราจะพบกับความสุขอีกแบบหนึ่งที่เหนือกว่าที่ดีกว่าความสุขที่เราได้จากการสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี่แหละคือความสุขที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายยกย่องและมีไว้ครอบครองอยู่ตลอดเวลาเป็นความสุขที่สามารถอยู่เหนือ ความทุกข์ทั้งหลายได้ไม่ว่าร่างกายจะเป็นอะไรไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นก็จะไม่สามารถที่จะมาทําลายความสุขอันนี้ได้ใจจะมีความสุขตลอดเวลาถึงแม้ร่างกายจะเจ็บไข้ได้ป่วยอดอยากขาดแคลนเจ็บเนื้อเจ็บตัวก็จะไม่มาทําให้จิตใจมีความทุกข์เลย เพราะจิตใจมีความสุขที่ประเสริฐอันนี้นั่นเองนี่คือการ <c oughs> การทำบุญ <c oughs> การรักษาศีล <c oughs> การชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ <c oughs> ผลก็คือจิตใจที่มีแต่ความสงบ <c oughs> <c oughs> ไม่ว่าวุ่นขุนมัวไม่โวนไม่กวนกวายกระสับกระส่ ไม่วิตกกังวลไม่หวายกลัวกับภัยต่างๆรอบด้านเพราะใจ <c oughs> รู้ว่า <c oughs> ไม่มีอะไรจะมาทำใจได้จะทำได้ก็เพียงแต่ร่างกายซึ่งก็เป็นเรื่องปกติเป็นธรรมดาของธรรมชาติของร่างกายที่ในที่สุดก็จะต้องถูกทำลายไปหมดไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่ ร่างกายนี้เมื่อตายไปแล้วถ้าเราเอาไปฝังไว้ในดินก็จะกลายเป็นดินไปหมดถ้าเอาไปเผาก็จะกลายเป็นขี้เถ้าไปแต่ใจนี้ไม่ได้เป็นอะไรไปกับการสูญเสียของร่างกายแต่ใจนี้จะสบหนื้อจะทุกนี้ขึ้นอยู่ที่ว่าได้รับการอบรมสั่งสอนบำเพ็ญปฏิบัติธรรม มามากน้อยเพียงไรถ้าได้รับการอบรมสั่งสอนบำเพ็ญและปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องก็จะทุกน้อยลงไปตามลำดับจนไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่เลยแต่ถ้าไม่ได้รับการอบรมสั่งสอนบำเพ็ญปฏิบัติธรรมจิตใจจะต้องมีความวุ่นวายอย่างแน่นอนเวลาที่มีเหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้น กับตนเองไม่ว่าจะเกิดกับทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองของตนก็ดีหรือกับญาติพี่น้องคนที่เรารักก็ดีหรือเกิดกับร่างกายของเราก็ดีจิตใจจะต้องว้าวุ่นขุนมัวกินไม่ได้นอนไม่หลับและอาจจะไม่อยากจะอยู่ต่อไปก็ได้เพราะรับกับเหตุการณ์ต่างๆไม่ได้ เนื่องจากใจไม่มีความสุขไว้ป้องกันกับความทุกข์ต่างๆที่จะเข้ามานี่เองนี่คือความสําคัญความจําเป็นว่าทําไมเราจึงต้องเข้าวัดกันเข้ามาเพื่อมาทําลูกบารุงดูแลรักษาใจทําบุญให้ทานนี้ก็เพื่อที่จะทําให้ใจเราปล่อยวางไม่มได้ทําเพื่อให้เราอยากร่ิมอยากรวยอยากมีมากขึ้นแต่ให้เรา ปล่อยวางความหวงความยึดติดในสมบัติข้าวของเงินทองที่เรามีมากเกินความจำเป็นต่างหากเพื่อใจเราจะได้สบาย อ, อกสบายใจเวลาเราสูญเสียอะไรไปเราจะได้ไม่ร้องห่มร้องไห้เพราะเราเคยให้มาเป็นเป็นนิ ส, สัยเราเคยสละไปเป็นนิ ส, สัยเราจะไม่รู้สึกทุกข์ใจ เวลาที่เราสูญเสียทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปเพราะเราจะคิดว่าเป็นการทำบุญแต่คนที่ไม่เคยทำบุญให้ทานเลยนี้จะมีความรักมีความหวงในทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทอง <c oughs> เป็นอย่างมากพอสูญเสียทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปแม้เพียงเล็กน้อย ก็จะเกิดความเสีย อ, อกเสียใจเกิดความโกรธแค้นขึ้นมามีความทุกข์ใจขึ้นม า, ท, าทันทีเพราะไม่เคยปล่อยวางความหวงนี้เองมีแต่มีแต่หวงมีแต่ห่วงและมีแต่อยากจะได้มากขึ้นไปเรื่อยๆจึง <c oughs> ทำให้ใจนี้ไม่มีความสุขถึงแม้ว่าจะมีทรัพย์สมบัติ ข้าของเงินทองมากน้อยเพียงรอยแทนที่จะมีความสุขกับข้าวของเงินทองเหล่านั้นกับมีความทุกข์เพราะมีความยึดติดมีความหวงมีความห่วงและมีความเสียดายเวลาที่สูญเสียทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆไปพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเรา <c oughs> มาหัด ให้กันเสียสละกันเพื่อใจของเราจะได้ไม่วุ่นวายจะได้ไม่ทุกข์นั่นเองท่านทรงสอนตั้งแต่การให้ระดับขั้นแรกไปก็คือหนึ่งทรงสอนให้เราสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะแล้วก็ให้เราสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตและให้สละชีวิตเพื่อรักษาธรรม ธรรมนี้ก็คือความสงบภายในใจเรานี้เอง <c oughs> อย่าเสียดายกับอะไรทั้งสิ้นแม้แต่ชีวิตของเราเมื่อถึงเวลาที่จะต้องเสียมันก็ปงมันไปเลยตัดมันไปเลยตายเป็นตายยอมตายเลยแล้วใจจะสงบใจจะไม่ทุกข์ใจจะไม่เดือดร้อนใจจะมีอยู่อย่างสบายถึงแม้ไม่มีร่างกายใจก็อยู่ได้ ใจของพระพุทธเจ้าตอนนี้ก็ไม่มีร่างกายใจของพระอาหารหันตสาวกของครูบาอาจารย์ที่จากพวกเราไปนี้ตอนนี้ท่านก็ไม่มีร่างกายแต่ใจของท่านก็ยังอยู่ยังอยู่ในปรมังสุขขังยังอยู่ในปรมังสุ ญ, ญังคือใจของท่านยังมีบัลมะสุขอยู่ตลอดเวลามีความว่างอยู่ตลอดเวลา ว่างจากความทุกข์ว่างจากความวุ่นวายเดือดร้อนต่างๆนั่นเองนี่คือเรื่องของธรรมชาติของใจเราเป็นอย่างนี้ถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเราจะไม่รู้เลยว่าเรามีใจที่เป็นอย่างนี้เราจะคิดว่าใจกับร่างกายนี้เป็นส่วนเดียวกันเมื่อร่างกายตายไปแล้วเราก็คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่าง ก็จบสิ้นไปแต่ความจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันจบเพียงแต่ร่างกายเท่านั้นแต่ใจนี้ไม่จบใจนี้ยังต้องรับวิบากต่อไปถ้ายังไม่ยุติการเวียนว่ายตายเกิดถ้ายังไม่ได้ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์เหมือนใจของพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายใจนี้ก็ยังจะต้อง ไปรับวิบากกรรมต่อไปไปเกิดในที่สูงบ้างไปเกิดในที่ต่ำบ้างขึ้นอยู่กับบุญกรรมที่ได้ทำเอาไว้ดังนั้นพวกเราจึงควรที่จะอบรมสั่งสอนบำเพ็ญปฏิบัติทํากันให้มากเริ่มต้นเราก็ต้องรับการอบรมสั่งสอนก่อนเพื่อเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องปฏิบัติอะไรกัน ต้องทําอะไรกันถ้าเราไม่ได้รับการอบรมสั่งสอนแล้วเราไปปฏิบัติเราก็จะปฏิบัติแบบผิดผิดถูกถกูถ้าปฏิบัติถูกก็ก็โชคดีไปถ้าปฏิบัติผิดก็แทนที่จะเป็นประโยชน์ก็กลับเป็นโทษมากขึ้นไปเสียกา r ไม่ได้ปฏิบัติดังนั้นต้องปฏิบัติก่อนต้องศึกษาก่อนต้องได้รับการอบรมสั่งสอน อย่างเช่นวันนี้ญาติโยนก็ได้มารับการอบรมสั่งสอนด้วยการฟังเทศฟังธรรมเพื่อที่จะได้รู้ว่าจะต้องทําอะไรกันบ้างและทําอย่างไรบังท่านอาจจะคิดว่าเวลาทําบุญนี้ต้องมาที่วัดเท่านั้นถึงจะได้บุญและจะต้องทํากับพระทำกับพระพุทธศาสนาเท่านั้นแต่ความจริงนี้ทํากับผู้อื่นก็ได้บุญอยู่ที่บ้านก็ทําได้ ทำกับพ่อกับแม่ก็ได้บุญพ่อแม่นี้พระพุทธเจ้าก็สรงตรว่าเป็นพระอาหารหันต์ของลูกๆเป็นพระผมพรคของลูกๆถ้าได้ดูแลรักษาพ่อแม่เลี้ยงดูพ่อแม่รับใช้พ่อแม่ทำให้พ่อแม่มีความสุขมีความสบายก็ได้ถือว่าได้ทำบุญกับพระอาหารหันต์แล้วได้บุญมากแล้วไม่ต้องมาวัดก็ได้ถ้ามาไม่ได้ เพียงแต่ถ้าอยู่บ้านนี้ก็อาจจะไม่ได้มาฟังเทศฟังธรรมแต่สมัยนี้ที่บ้านก็ฟังเทศฟังธรรมได้มีสื่อต่างๆที่เราสามารถเปิดฟังได้เปิดดูได้โทรทัศน์ในวันพระก็มีพระแสดงธรรมให้ฟังหรือถ้าไม่ใช่วันพระก็เดี๋ยวนี้ก็มีแสดงกันแทบทุกวันเปิดช่องของที่ของวัดนี้ก็จะมีพระออกมาแสดง ธรรมะให้ฟังอยู่ตลอดเวลาดังนั้นการสร้างบุญสร้างกุศลการละบาปการชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี้จึงทำได้แทบทุกสถานที่แต่ผลที่จะเกิดขึ้นนั้นอาจจะมีความแตกต่างกันเนื่องจากการทำบุญการปฏิบัติธรรมนี้จำเป็นจะต้องมีสถานที่สงบที่ไม่ฟุก ไม่พลุกพล่านไปด้วยเหตุการณ์ต่างๆไม่พลุกพล่านไปด้วยคนไม่ได้พลุกพล่านไปด้วยรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆถ้าอยากจะได้ผลดีจากการชำระใจจากการปฏิบัติธรรมก็จำเป็นจะต้องไปหาสถานที่สงบสงัดวิเวกซึ่งวัดป่าส่วนใหญ่ก็จะมีสถานที่สงบอย่างนั้นจะไม่มีคนมากจะไม่มีรูปเสียงกลิ่นรส มาคอยยั่วยวนกวนใจและคนที่อยู่ในวัดก็จะไม่มารบกวนใจเพราะต่างคนนั้นก็ต่างอยู่ต่างคนก็ต่างปฏิบัติไปตามลำพังของตนไม่มาคลุกคลีกันไม่มาสังคมกันไม่มาพูดมาคุยให้เสียเวลากันทุกคนก็แยกกันไปเพื่อปฏิบัติทาใจให้สงบเพื่อทำใจให้ชลา เพื่อที่จะได้ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจไปยึดไปติดนี้เป็นเหตุที่ทำให้ใจนี้ต้องมีความทุกข์นั่นเองถ้าไปยึดติดกับอะไรแล้วใจก็จะต้องมีความหวงมีความห่วงมีความวิตกกังวลมีความเสียดายเวลาที่สูญเสียสิ่งที่ตนยึดติดไว้นั่นเองแล้วก็ ในที่สุดก็ต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปทั้งหมดเพราะว่าเมื่อร่างกายตายไปแล้วใจก็ไม่สามารถอยู่กับสิ่งต่างๆได้อีกต่อไปใจก็ต้องไปใหม่แต่ตอนก่อนที่จะไปนี้จะเป็นเวลาที่ทุกทรมานใจอย่างมากถ้าไม่รู้จักปล่อยวางไม่รู้จักให้ไม่รู้จักตัดไม่รู้จักเสียสละพระพุทธเจ้าจึงน้องสอนให้แล้ว ให้อยู่เรื่อยๆทำบุญให้ทานอยู่เรื่อยๆเสียสละอยู่เรื่อยๆให้เก็บเอาไว้เท่าที่ควรเท่าที่จำเป็นเท่านั้นก็พอถ้ามีมากกว่านั้นแล้วก็อย่าไปเสียดายถึงแม้สิ่งที่เรามีนี้ถ้าจำเป็นจะต้องสละก็ให้สละดังที่ตัดว่าให้สละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะถ้าเราต้องรักษาตารักษา ร่างกายของเราเวลายามเจ็บไข้ได้ป่วยต้องเสียเงินเสียทองเพื่อรักษาเราก็ต้องยอมเสียจะหมดเนื้อหมดตัวก็ยอมหมดแต่อย่างน้อยเราจะได้มีอาการครบสาสองเมื่อเรายังมีอาการครบสาสองอยู่เราก็ยังสามารถหาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองได้ใหมอ่อีกเพราะว่าเวลาที่เราเกิดมาเราก็ไม่มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทอง อะไรติดตัวละมาเลยมากับร่างกายนี้เพียงร่างเดียวแต่เราก็สามารถหาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินตองต่างๆได้อย่างที่เรามีกันอยู่ในวันนี้แล้วถ้าเราต้องสูญเสียไปเพื่อที่จะรักษาร่างกายนี้ให้เป็นปกติเราก็อยากไปเสียดายหาใหม่ได้ของนอกกายไม่ต้องไปเสียดาย น่าถึงแม้ว่าถ้าเราจะต้องเสียสละอวัยวะบางส่วนไปเช่นเวลาเป็นเบาหวานแล้วแผนเน่าหมอต้องให้ตัดขาอย่างนี้ก็ยอมต้องตัดก็ตัดไปถึงแม้ไม่มีขาเราก็ยังมีชีวิตอยู่เรายังทำประโยชน์ได้เรายังปฏิบัติทำได้ยังทายังสร้างสร้างบุญสร้างกุศลได้ ยังชำระใจของเราให้สะอาดลอยสุดได้ดังนั้นขอให้เราพยายามฝึกการให้ไปเรื่อยๆแล้วความทุกข์ภายในใจของเรานี้จะมีน้อยลงไปเรื่อยๆใจของเราจะมีความสุขมากขึ้นไปเรื่อยๆทั้ทงๆ ท, ที่มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองน้อยลงไปเรื่อยๆ เพราะว่าการมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองแล้วไปยึดติดกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองนี้จะทำให้เรามีความทุกข์นั่นเองพอเราไม่มีทรัพย์สมบัติเราก็ไม่มีอะไรจะต้องยึดติดเมื่อไม่มีการยึดติดก็จะไม่มีความทุกข์ความวุ่นวายใจนี่คือการบำเพ็ญการปฏิบัติขอให้เราทํากันอยู่เรื่อยๆไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนเวลาใด ถ้ามีโอกาสได้ทำบุญทาความดีก็ทำไปเลยเห็นใครเดือดร้อนพอจะช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยเหลือกันไปเห็นใครมีความทุกข์พอที่จะปัดเป่าพอที่จะบอกให้เขารู้วิธีดับความทุกข์ได้ก็บอกไปสอนเข้าไปส่วนเขาจะรับหรือไม่รับเขาจะทำได้หรือไม่ได้นั้นก็เป็นเรื่องของเขาเราอย่าไปวิตกกังวลอย่าไปเดือดร้อน อย่าไปเสียใจอย่าไปโกรธเวลาที่เราพยายามที่จะช่วยเหลือเขาแล้วเขาไม่ยินดีที่จะรับความช่วยเหลือของเราก็ถือว่าเราได้ทําหน้าที่ของเราแล้วก็แล้วกันเราได้บุญแล้วส่วนเขานี้จะได้รับประโยชน์หรือไม่ก็อยู่ที่เขาเองเราไปควบคุมบังคับเขาไม่ได้อย่าไปบังคับกันเพราะการบังคับกันนี้จะทําให้เกิดผลเสียตามมา แทนที่เขาจะเห็นความปรารถนาดีเห็นความดีของเราเขากลับจะโกรธเราเกลียดเราก็ได้เหมือนกับเราที่จะโกรธจะเกลียดผู้อื่นถ้าเราต้องถูกบังคับให้ทำในสิ่งที่เราไม่อยากจะทำอย่างนั้นถึงแม้จะเป็นผู้ที่เรารักเราเคารพเช่นพ่อแม่ของเราและเรารู้ว่าเขากำลังทำในสิ่งที่เสียหายเราก็ไปบังคับไปห้ามไม่ได้ เราเพียงแต่พูดได้ท่านนั่นเองว่าไม่ดีไม่ควรทําแต่ถ้าท่านจะทําเราก็ไม่สามารถที่จะไปทําอะไรได้ถ้าเราไปด่าท่านเราก็จะบาปเป็นบาปเป็นกรรมกับเราไปเปล่าๆเราก็ต้องรู้จักทําใจว่ามันเป็นเรื่องของบุญของบาปของท่านท่านเคยชอบทําอะไรมาก็จะติดนิสัยมาถ้าเคยชอบกินเหล้าก็จะติดนิสยัยชอบกินเหล้ามา ถ้าชอบการทนันก็จะติดมามันเป็นเรื่องของวิบากกรรมที่เคยทำานาในอดีตและตอนเองเท่านั้นจะเป็นผู้ที่แก้วิบากนี้ได้เช่นถ้ารู้ว่าการเสสุรายามเาเล่นการพนันนี้ไม่ดีก็ต้องพยายามเลิกให้ได้คนอื่นเลิกแทนเราไม่ได้เราต้องเลิกด้วยตัวเราเองเท่านั้นดังนั้นขอให้เราพยายาม ทำความดีละบากและชับละใจของเราให้สะอาดอยู่อย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอเพื่อใจของเรานี้จะได้ไม่มีความทุกข์หรือมีความทุกข์น้อยลงไปตามลำดับและจะมีแต่ความสุขเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนมีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวอยู่ในใจของเรานี่คือสิ่งที่พวกเราทุกคนสามารถทากันได้ถ้าเรามีศรัทธาความเชื่อ ในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและปฏิบัติตามอย่างไม่ท้อแท้ด้วยความอดทนด้วยความขยันสักวันหนึ่งเราก็จะได้พบกับความสุขที่มีอยู่ตลอดเวลาอย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาทำนุบำรุงดูแลรักษาใจนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อ